พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13พระสูตรที่23มหาวัชโคตสูตรสูตรว่าด้วยวัชโคตปริพาชกสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวนารามใกล้กรุงราชครืวัชโคตปริพาชกเข้าไปเฝ้าขอให้ทรงแสดงกุศลและอกุศลโดยย่อ ซึ่งได้ตรัสแสดงดังนี้ 1. ธรรมะอันเป็นอกุศลสามคือความโลภความคิดประทุษร้ายความหลง 2. ธรรมะอันเป็นกุศลสามอย่างคือความไม่โลภความไม่คิดประทุษร้ายความไม่หลง 3. ธรรมะอันเป็นอกุศลสิบอย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติ ผ, ผิดในกามพูดปดพูดส่อเสียดยุให้เขาแตกร้าวกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออยากได้ของเขาตองร้ายเขาเห็นผิดจากทานองคลองทรสม 4. ธรรมะอันเป็นกุศลสิบอย่างคือที่ตรงกันข้ามกับอกุศลสิบอย่างทั้งหมดภิกษุละตันหาได้เด็ดขาด ย่อมเป็นพระอรหันตสิ้นอาสวะหลุดพ้นพระรู้โดยชอบปริพาชคทูล ถ, ถามว่าภิกษุสาวกของพระโคดมมีสักรูปหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันคือเป็นพระอรหันต์ตรัสตอบว่ามีไม่ใช่น้อยกว่าห้าร้อยรูป เมื่อทูลถามถึงนางภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาที่เป็นพระอรหันต์เช่นนั้นก็ตรัสตอบว่ามีมากกว่าห้าร้อยเช่นเดียวกันต่อจากนั้นทูล ถ, ถามถึงอุบาสกอุบาสิกาผู้ละสังโยชน้าได้คือสำเร็จเป็นพระอนาคามีและผู้ปราศจากความสงสัยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นปัจจัยอยู่ในสัตถุศาสนาคือเป็นพระโสดาบัน ว่ามีสักผู้หนึ่งหรือไม่ตรัตอบว่ามีมากกว่าห้า้อยปริภาชคทูลว่าถ้าได้บรรลุธรรมนั้นเพียงพระสมณะโคดมแต่ยังขาดสาวกสาวิกาที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ได้บรรลุธรรมนั้นพรหมจรรย์ก็ยังชื่อว่าไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นที่ยังขาด แต่นี่บรรลุธรรมนั้นทุกฝ่ายแล้วพรมจรร a ์จึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นแล้วทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตพร้อมทั้งขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อทราบว่านักบวชศาสนาอื่นจะต้องอบรมก่อนถึงสี่เดือนก็แสดงความพอใจจะอบรมถึงสี่ปี สำหรับเกี่ยวกับเรื่องการอบรมก่อนบวชในกรณีที่ทรงพิจารณาเห็นเหมาะสมเป็นพิเศษเฉพาะรายก็ส่งยกเว้นให้ไม่ต้องอบรมทั้งนี้เป็นไปตามจริตอัธยาศัยของบุคคลเป็นรายๆไปเมื่ออุปสมบทแล้วได้กึ่งเดือนภิกษุวัชโครตรก็เข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าท่านได้บรรลุธรรมที่พึงบรรลุด้วยญาณ ด้วยวิชาของพระเสขะหมดสิ้นแล้วคือเป็นพระอริยบุคคลผ่านมาทุกชั้นแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์ขอให้ทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจึงทรงแสดงธรรมสองอย่างคือสมถะการทาใจให้สงบและวิปัสสนาการเห็นแจ่มแจ้งและตรัสว่าธรรมะสองอย่างนี้ย่อมเป็นไป เพื่อแทงทะลุธาตุเป็นเอเนกรั้นแล้วทรงแสดงว่าภิกษุวัชโครปรารถนาจะทำอะไรก็ทำได้ในความสามารถทางอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ได้ทิพยโสตรคือหูทิพเจโตปริยาญาณญาณกำหนดรู้ใจของผู้อื่นปุเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึก ช, ชาติได้จุตูปปาตาญาณ ยานรู้ความตายความเกิดหรือทิพยยจักษุคือตาทิพย์และอาสวะขยะยานคือยานอันทมอาสวะให้สิน้นภิกษุวัชโคตรกราบลาหลีกไปบำเพ็ญเพียรในไม่ช้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อภิกษุทั้งหลายจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านจึงฝากไปกราบนมัสการซึ่งพระผู้มีพระภาค ก็ตรัสสรรเสริญให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าท่านเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มีอนุภาพมาก